ไฮดี Heidi. Heidi mm ้ไฮดี้คือเรื่องราวของเด็กหญิงกำพร้าชาวสวิต mm hmm. ชื่อไฮดี hmm. ้เธออายุห้าขวบไฮดี้เสียพ่อและแม่ตอนอายุเพียงสามขวบเธอจึงถูกเลี้ยงดูโดยคุณป้าดีตา้า mm hmm. แล้วป้าดีต้าก็ได้งานที่แฟรงเฟิร hmm. ์ตเธอตัดสินใจทิ้งเด็กน้อยให้คุณตา ที่อาศัยอยู่บนเนินเขาดูแลปาดีตาหนูไม่อยากอยู่ที่นี่ได้โปรดอย่าทิ้งหนูไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะเด็กน้อยไฮดี้เศร้าเสียใจแต่เธอยอมปรับตัวเข้ากับคุณตาหน้าบูดเบ่งและใช้ชีวิตอยู่ในภูเขา เธอหลงรักธรรมชาติพระอาทิตย์ตกดินดอกไม้ป่าและสัตว์ป่าเธอรูปตัวแพ้น้อยและเล่นด้วยกันทุกวันอ๋อตัวน้อยมานี่มาตอนกลางคืนไรดี้นอนบนกองฟางดูดาวเจิดจ้า เธอเริ่มชอบธรรมชาติที่อยู่รอบๆตั ว, เ, ตวเธอสองสามวันต่อมาเธอพบเพื่อนใหม่ปีเตอร์เด็กผู้ชายอายุเจ็ดขวบที่อยู่บ้านใกล้กัน เ, เขาอาศัยอยู่กับแม่และยายตาบอดมาเร็วไอดีไปทุ่งเลี้ยงสัตว์กันปีเตอร์ วไฮดี้สนุกกับการไปทุ่งกับปีเตอร์และแพะทุกวัน <c oughs> หลังกลับจากทุก่งไฮดี้ใช้เวลาอยู่กับยายของปีเตอร์ <c oughs> หรือช่วยงานบ้านตาของเธอ <c oughs> ไม่นานคุณตาเริ่มรักและหวงไฮดี้มากเขาไม่ยอมให้ไฮดี้ไปโรงเรียน เพราะทะเลาะกับคนที่อยู่หมู่บ้านดอลฟิที่อยู่ด้านล่างที่เรียกคุณตาว่าคุณลุงแอลไฮดี้ตาจะไม่ให้หนูไปจากตาโถหนูรักตาค่ะทุกอย่างกำลังไปได้ดีจนกระทั่งวันหนึ่งป้าดีตาโผล่มาดีต้าพาไฮดี้ไปแฟรงเฟิร์ต เพื่ออยู่เป็นเพื่อนคาล่าเด็กหญิงพิการวัยสิบขวบเธอไปไหนมาไหนโดยใช้รถเข็นเท่านั้นเมื่อถึงบ้านคาล่าไฮดี้ประหลาดใจที่เห็นทุกคนมีระเบียบวินัยและเชื่อฟังคำสั่งคุณร็อตเช่นแม่ผู้ดูแลบ้านเธอเห็นคาล่ามีของเล่นมากมายตู้เสื้อผ้าของเธอเต็มไปด้วยชุดสวย ไม่นานไฮดี้ก็คุ้นชินและเริ่มสนุกที่อยู่กับคาล่าไม่ช้าทุกคนก็หลงรักหนูน้อยน่ารักสนุกคาร่าพ่อและคุณยายของคาล่าชอบหนูน้อยชาวสวิตถึงกระนั้นคุณร็อตเทนแมร์ผู้ดูแลบ้านซิสแมนไม่ชอบไฮดี้เพราะเสื้อผ้ายับยับของเธอไฮดี้อ่านหนังสือไม่ออก และไม่รู้การปฏิบัติตัวในบ้านหลังใหญ่คุณร็อเทนแมนคิดว่าไฮดี้เป็นเด็กสดไฮดี้เธอต้องเรียนรู้ระเบียบวินัย น, นะรู้ไหมขอโทษค่ะคุณร็อเทนแมนเมื่อเวลาผ่านไปไฮดี้คิดถึงบ้านมากขึ้นและมากขึ้นคุณยายของคาล่าเห็นว่าไฮดี้ไม่มีความสุขเธอพูดเรื่องไฮดี้กับป้าดีตา แต่ป้าดีต้าเห็นเกียตัวคุณยายพยายามพูดกล่อมป้าดีต้าแต่ไม่ได้ผลคุณยายคะหนูรู้สึกไม่ดีที่อยู่ที่นี่ได้โปรดส่งหนูกลับบ้านหนูคิดถึงคุณตา ก, กับปีเตอร์ไฮดีหนูน้อยของยายหนูคงต้องไหว้ขอพระเจ้ า, าแล้วล่ะนะแม้ว่าชีวิตของไฮดี้จะสุขสบายแต่เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในกรง เธอไม่มีความสุขและเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวเธอไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นลึกๆในใจเธออยากกลับไปหาคุณตาปีเตอร์และทุ่งยาแต่ไม่รู้จะกลับไปยังไงซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของเธอมากเธอเดินละเมอกลางดึกวันหนึ่งไฮดี้เปิดประตูคิดว่าตัวเองได้กลับบ้านแล้ว ปีเตอร์คุณตาหนูกลับมาแล้วคุณยายเห็นเข้าจึงรู้สึกเสียใจหมอคลาสเซนคุณหมอของคาล่ายืนกรานว่าไฮดี้ควรกลับบ้านไปหาคุณตาโอ้หลานรักของยายเป็นอะไรมากไหมเนี่ยไฮดี้ยายมีข่าวดีจะมาบอกนะอะไรเหรอคะคุณยายเราจะส่งหนูกลับบ้านไปหาคุณตากับปีเตอร์ หนูรักคุณยายจังเลยค่ะคุณเป็นคุณยายที่ดีที่สุดในโลกเลยอ่ะเจอกันเดียวนี้นะคะคาร่าถึงเวลาต้องจากกันแล้วแล้วเจอกันใหม่นะเจอกันที่ภูเขานะแล้วฉันจะพาเธอไปเที่ยวหลายๆที่เลยอย่าเปเลยไฮดี Hi D. ฉันจะคิดถึงเธอนะฉันจะคิดถึงทุกคนเหมือนกัน <c oughs> โดยเฉพาะคุณยายกับคาร่า ไฮดี้ชวนคาล่าและครอบครัวไปเที่ยวที่เขาเมื่อไฮดี้ถึงบ้านเธอวิ่งด้วยความดีใจหนูกลับมาแล้วหนูคิดถึงคุณตามากๆเลยล่ะค่ะโอ้ตาก็คิดถึงหนูใหญ่ตัวแสบท้ไฮดี้ของตาตาจะไม่ปล่อยให้หนูไปไหนอีกเลยนะหลานตาที่ภูเขา คุณตามีความสุขที่ได้อยู่กับไฮดี้อีกครั้งพวกเขามีความสุขที่อยู่ด้วยกันวันนั้นไฮดี้พบปีเตอร์ปีเตอร์ฉันกลับมาแล้วไฮดี้เราคิดถึงเธอมากเลยนะฉันมีเพื่อนใหม่ด้วยชื่อคาลา่าจนอยู่ที่บ้านเธอเล่นของเล่นของเธอไฮดี้เล่าเรื่องให้ปีเตอร์กับยายของเขาฟัง เธอชอบทุ่งหญ้ามากกว่าเดิมสองสัเดือนต่อมาคาล่าตัดสินใจมาเซอร์ไพรส์รสไฮดี้จะมาอยู่กับไฮดี้หนึ่งเดือนคาล่าถูกยกขึ้นเขาในรถเข็นเธอดีใจมากที่ได้อยู่กับเพื่อนรักไฮดี้ ดูสิว่าใครมาหาหนูใครคะคุณตาไฮดี้ฉันเองคาล่าหลังจากได้ยินชื่อไฮดี้ก็ลุกขึ้นทันทีฮะไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะดีใจจังเลยที่ได้เจอคาล่าดีใจมากที่ได้เจอไฮดี้ทุกเช้าไฮดี้จะตื่นเช้ามาเล่นกับคาล่าไฮดี้พาเธอไปนู่ทุ่งหญ้าเขียว พระอาทิตย์ตกสีสวยฟังเสียงนกร้องคาล่าชอบมากๆแล้วเธอชอบภูเขาไหมฉันชอบทุกอย่างที่นี่เลยไฮดี้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะแต่ในทางกลับกันปีเตอร์อิจฉาคาลา่าเขาคิดว่าคาล่าแย่งเพื่อนสนิทของเขาไป วันหนึ่งปีเตอร์เห็นคาล่ากับไฮดี้นั่งหัวเราะบนพื้นหญ้าคาล่าคอยดูนะฉันจะเอารถเข็นเธอไปซ่อนจะได้กลับไปไม่ต้องมายุ่งกับไฮดี้อีกด้วยความโกรธปีเตอร์แอบเอารถเข็นไปแล้วผลักลงเขา <Hey. S 1> และซูมรถเข็นพังโอไม่นะฉันทำอะไรลงไปเนี่ย พอคาล่ากับไฮดี้เลิกเล่นพวกเขาเห็นว่ารถเข็นหายไปคาล่ารู้สึกหมดหวังไฮดี้รถเข็นจะหายไปไหนันจะทำยังไงดีไฮดี้หารถเข็นแต่ก็หามไม่เจออฉันหามไม่เจอคาล่าฉันจะไปเรียกคุณตา ม, มานะ ไฮดี้รีบไปขอความช่วยเหลือระหว่งางทางเธอพบปีเตอร์ปีเตอร์เราต้องช่วยคาล่ามาเร็วสิช่วยพาเธอเดินกลับบ้านกันเถอะนะคาล่ามาทางนี้ไม่ต้องห่วงเธอจะไม่เป็นไรนะเรากลับปาฏิหาริคาล่าเริ่มก้าวเดินด้วยความช่วยเหลือของปีเตอร์และไฮดี้ เธอสามารถชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติรอบๆตัวเธอปีเตอร์แปลดใจที่เห็นคาล่าเดินไปถึกบ้านครอบครัวของคาล่าดีใจที่เห็นคาล่าเดินได้อีกครั้งแม่คะพ่อคะหนูเดินได้แล้วดีใจจังเลยดีใจมากๆเลยเลยค่ะเราดีใจกับลูกมากคาล่าลูกแม่ ปีเตอร์รู้สึกผิดจนร้องไห้ออกมาเป็นอะไรไปปีเตอร์ร้องไห้ทำไมผมผักลวดเข็นของคาล่าลงเขาเพราะคิดว่าคาล่าจะแย่งไฮดี้ไปจากผม嘛ฮะปีเตอร์ฉันให้อภัยหนูจ้า คุณยายของคาล่าเข้าใจเหตุผลที่ทปีเตอร์ทำหลงไปเธอรู้ว่าปีเตอร์รู้สึกผิดแทนที่จะลงโทษเขาเธอกลับให้รางวัล น, นี่จะพ่อหนูเอานี่ไปอย่าปฏิเสธนะรู้ไหมครอบครัวซิสแมนให้ของ ข, องขวัญไฮดี้และคุณยายของปีเตอร์เพื่อให้ชีวิตเธอสะดวกสบายขึ้น พวกเขาสัญญากับคุณตาของไฮดี้ว่าพวกเขาจะดูแลไฮดี้ให้หากคุณตาเป็นอะไรไปเรื่องจบลงด้วยไฮดี้กับคุณยายคุยกัน mm hmm. และขอบคุณพระเจ้า oh. สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนำมา <ขอ S 1> สู่ชีวิต